อันเรมาฟังเคสสดีกันเลยจ้าพี่ชายของลูกเป็นอาจารย์ใหญ่ประจำโรงเรียนแห่งหนึ่งทางภาคใต้เขาว่าตั้งแต่ปี2528ได้รับฟังเทพธรรมะของทางวัดที่ลูกส่งไปให้พี่ชายนะ่ะฟังเสียงหลวงพ่อแล้วรู้สึกศรัทธาเรือมใส เข้าใจได้ทันทีว่าหลวงพ่อเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพิชาจึงหาโอกาสเดินทางมาวัดพระธรรม ก, กายและเมื่อมาถึงก็ประทับใจวัดมากก็กลับมาบ้านก็สามารถเลิกดื่มเหล้าได้อย่างเด็ดขาดและยังได้นำระบบระเบียบที่วัดมาใช้กับงานที่ทำอยู่เช่นงานโครงการอาหารกลางวันระเบียบการจัดรองเท้า จัดมุมธรรมะสอนสมาธิและออกบรรยายเรื่องประโยชน์ของการทำสมาธิให้ผู้บริหารโรงเรียนระดับอำเภอทำให้โรงเรียนที่พิชาบริหารอยู่ได้รับรางวัลโครงการอาหารกลางวันดีเด่นระเบียบวินัยดีเด่นและพิชากรได้รับเลือกเป็นผู้บริหารโรงเรียนดีเด่นประจาจังหวัดด้วยอายุเพียง30ต้ น, ตน ทั้งวิจัยและพิสพายทําหน้าที่ผู้นําบุญผู้นํารถที่เข้มแข็งมากทุกงานบุญจะทำหน้าที่กระลมิดบอกข่าวบุญและชักชวนคนมาวัดทั้งทางรถไฟหรือรถยนต์อย่างเต็มที่เต็มกําลังด้วยความเบิก บ, บานในบุญทุกงานบึงทางวัดพิจารณผูดที่มีอธัธยาศัยดีจะเป็นทีรัของทุกคนทั้งที่บ้านที่ทํางาน และพี่น้องในวงบุญนักสร้างบารมีแต่ขณะที่ชีวิตกําลังรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างเต็มที่ความตายก็มาพรากพิชายไปจากพวกเราทุกคนอย่างไม่มีวี่แววใดๆมาก่อนเห็นไหมจ๊ะไม่มีวี่แววใดๆมาก่อนปลามาเรายังเห็นน้ํากระเพื่มมอยุงยังมาดูดเรามันยังวิวิยังมีวี่แวว เวลาเราจะนอนหลับมันยังมาวิววเฮลโลดูดชุก <c oughs> เอออะไรอย่างนง้นเฮลโลชุกเลยดีหน่อยที่มันไม่กัดเพราะนั้นเคยบอกว่ายุงกัดนี่ไม่ถูกยุงดูดเพราะันยุงวัฏรักรกายไม่กัดดูดอย่างเดียววันนั้นพี่ชายเดินทางไปสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนที่จังหวัดกาญจนบุรี คืนนั้นเวลาประมาณตีสองพี่ชายเป็นลมเพื่อนคณะครูอาจารย์จึงรีบนำส่งโรงพยาบาลแต่แพทย์พบว่าหัวใจของคนไข้าวายหมดลมหายใจไปแล้วเมื่อวันที่สิบสามธันวาคมสองห้าสามห้าได้วันนี้วัยที่ยังสดชื่นจำสายเพียงสามสิบก้าปีมีโอกาสสร้างประมิกรเมูอคณะเพียงหกปีเท่านั้น ลัวิชัยเสียชีวิตประมาณสิบปีในปีพศ .2545 ญาติกันหนึ่งกระฝันว่าได้พบพี่ชายจึงถามว่าทําไมหายหน้าเป็นนานไม่ติดต่อทางบ้านเลยพี่ชายตอบ ว, ว่าเดินสิงหาปีหน้าคือปี46จะกลับบ้านต่อมา30สิงหา2546ญาติกันนึ้งก็ฝันเห็นวิชยัยเป็นํานองว่าจะกลับบ้านแล้ว วัเช้าวันที่1กันยายน 2,5,4,6 ลูกสาวพี่ชายก็คลอดลูกชายทาให้บรรดาญาติคิดว่าเด็กคนนี้ก็คือพี่ชายกลับบ้านเพื่อมาเกิดเป็นเด็กคนนี้หรือเปล่าเขาไม่ทราบพี่สาวของลูกเขาวัดตั้งแต่ปี2528ใดยการชักชวนลูกได้ทำบุญทุกบุญของวัดแล้วก็ทำหน้าที่บนนบุญอย่างเข้มแข็งจัดรถชนคนมาวัดอย่างไม่เคยขาด ล้ะกอบกับไม่มีภาระใดๆทางครอบครัวเพราะพีสาวลูกเป็นโสดและสามารถประพฤติพรหมจรรย์ได้จนถึงอายุปัจจุบันคือ45ปีจึงทำให้มีเวลามากในการทำหน้าที่พนําบุญอย่างเต็มที่และเต็มกำลังเจริญขยายจานดาวทำทำาน้าที่กเลเรยมิตรได้ถึง100กว่าจานซึ่งทาทุกคนในบ้านรวมทั้งตัวลูกเองภูมิใจในตัวพี่สาวคนนี้เป็นอย่างมาก ครูไม่ใหญ่ก็ภูมิใจจ้ะแต่พอมาณวันนี้เธอเปลี่ยนไปคือเมื่อกลางปี4ี่เจ็ไม่ใช่เธออยุ่47นะเจ๊ะเมื่อกี้พูดผิดไปพี่สองลูกได้รู้จักผู้ชายคนหนึ่งเขาอายุได้ห้าบปีเคยแต่งงานมีลูกมาแล้วแต่ภรรยาเขาตรอมใจตายเพราะลูกชายประพฤติตัวเกเรก่อนนี้สิน ติดยาเสพติดแล้วก็ห น, นีหายออกจากบ้านทุกคนที่บ้านโรรธทั้งญาติพี่น้องไม่เห็นด้วยพี่สาวเปลี่ยนแปลงไปมากญาติพี่น้องไม่เห็นด้วยที่ที่จะไปแต่งงานผู้ชายคนนั้นพี่สาวเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงช่วระยะเวลาสามเดือนนั้ น, นนัดหมายจะไปอยู่ด้วยกันแล้วเด๋ยนนี้พี่สาวไม่ค่อยทำหน้าที่กัละยาณมิตรห่างจากบุญ จนพวกเราสงสัยว่าเกิดจากอะไรแม่ของลูกจะตักบาตรรักษาศีลแปดทำวัดเช้าเย็นและนั่งสมาธิทุกวันไม่ขาดมาเป็นเวลาสิบจดปีแล้วยิ่งตอนนี้มีจานดาวทมแม่ยิ่งมีความสุขมากได้ยินได้ฟังได้พบเห็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อทุกวันที่หน้าจอทีวี ทุกวันนี้แม่จะตื่นในเช้ามืดด้วยความสดชื่นเบิกบานพเพระรวมกิจกรรมบุญทุกบุญที่มีในจารย์ดาวธรรมปัจจุบันแม่อายุ80ปีแล้วมีโรคประจำตัวคือร้อนตามผิวหนังทั้งตัวเกือบตลอดเวลาและประมาณสองเดือนที่ผ่านมาแม่ต้องเข้าโรงพยาบาลหมอก็ตรวจพบว่า แม่เป็นเส้นลหอตในสมองตีบต้องทานยาติดต่อกันทุกวันพ่อองลูกอายุเกือบ90ปีแล้วพ่อเป็นคนรักลูกและครอบครัวมากในวนัยหนุ่มพ่อพูดน้อยเป็นคนจริงจยงกับการทำงานแต่วัยชรานี้ท่านขยันพูดเป็นพิเศษใครมาเยี่ยมก็เล่าเรื่องความหลังให้ฟังได้เป็นวันๆจนผู้ฟังถอยทัพกันไปข้างหนึง่ง มาระยะหลังนี้ไม่มีใครมาฟังแต่ท่านก็มีหัวใจของนักพูดท่านก็เลยพูดอยู่คนเดียวมีทั้งเรื่องดีบ้างไม่ดีบ้างบางทีก็มีการหัวเราะประกอบแต่ก็ไม่มีใมีอาการอาของคองหลงเพราะยังพูดคุยกันเข้าใจทุกเรื่องเหมือนปกติลูกๆกกสรุปตามที่ได้ฟังเทศของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชิวว่าผู้สูงวัยร่างกายศูอื่น ทำงานไม่ไหวแล้วยกเว้นปากหลวงพ่อองค์นี้ท่านเหลือเกินดังนั้นท่านอยากพูดก็พูดออกมาอย่างสบายอารมณ์แม้ไม่มีผู้ฟังแม่บอกว่าถ้าพ่อได้พูดโรคความดาลีสูงของพ่อจะเป็นโรคความดานโลหิตต่ำคือมันจะลดลงอยู่ในระดับปกติได้อะบางคนเป็นอย่างนั้นทีเดียวบางคนป่วยนี่นะ ไม่ต้องให้กินยาหรอกฟังก็พูดอย่างเดียวหายเอออมิตรพะหอเออแปลกดีคำถามพี่ชายรูปมีวิบากกรรมอะไรหืมจึงทำให้อายุสัน้นหมดอารมณ์รักษาลมหายใจชาติต่อไปจะอายุสั้นอีกหรือไม่ จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรเด็กผู้ชายคนนั้นใช่พี่ชายมาเกิดหรือไม่มันน่าคิดนะเพราะฝันพวกเอาเกิดอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่ตอนนี้พี่ชายอยู่ที่ไหนมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่และอยากฝากอะไรถึงที่บ้านบ้างเพราะทุกๆุกคนยังคิดถึงอยู่เสมอแม้จะจากไปนานกว่าสิปีแล้ว พี่สาวและผู้ชายคนนี้มีวิบากกรรมอะไรร่วมกันมาหรือไม่พี่สาวโดนทําของใส่หรือไม่ <c oughs> ทําไมจึงเปลี่ยนไปในระยะเวลาเพียงสามเดือนมันก็น่าสงสัยนะ <c oughs> และจะแก้ไขได้โดยวิธีการอย่างไรทําอย่างไรพี่สาวจึงจะประพฤติพรหมจรรย์ทำด้วยที่สร้างบารมีไปได้ตลอดรอดฟังคําถามตอนหลังนี่พี่สาวก้าวโมง10ิบโมงแล้วนอะ อาการร้อนตามผิวหนังและโรคเส้นเลือดในสมองตีบของแม่เกิดจากวิบากกรรมอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไรลูกและพี่สาวคนนี้สร้างบา ร, รมีร่วมกันมาอย่างไรทํำไมลูกจึงห่วงใยพี่สาวคนนี้มาและครอบควของลูกสร้างบา ร, รมีกับหมู่คณะมาอย่างไรเข้ใจถามดี <Okay. S 1> อัลบ า, าฟังฝันในฝันกันจ้าพี่ชายของลูก อายุสั้นเพราะกรรมแนอดีตพิชายเนะ่เกิดในตระกูลพ่อค้าเป็นคนใจกว้างเลี้ยงดูลูกน้องเป็นอย่างดีเวลาจะเลี้ยงฉลองมักจะสั่งล้มวัวควายเพื่อเลี้ยงเป็นอาหารกับแก้มสุรายอยู่เป็นประจำด้วยกรรมที่สั่งฆ่าสัตว์เป็นจำนวนมาก ตามมาทันก็ทำให้เกิดอาการหัวใจล้มเหลวอย่างกระทันหันคือถ้กากรรมตามทันเ่าไหร่เนี่ยมันก็มาตัดลอนล ว, วิบากกรรมยุสั้นนี้ยังติดตามไปอีกหลายชาติจ้ะเจ้าตัวจะต้องแก้ไขได้วยตัวของตัวเองด้ยการสั่งสมบุญทุกวันให้มากๆอีกทั้งต้องปล่อยสัตว์ใหญ่เช่นวัวควายให้พ้นจากการถูกฆ่าในชาติต่ตอไปแหละใครจะไปทาแทนให้นะ ไม่ได้มันต้องแก้ดิตัวเองเด็กผู้ชายคนนั้นไม่ใช่พี่ชายมาเกิดใหม่เพราะพี่ชายตายแล้วไปเป็นเทพระบุตรสุดหล่อมีวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟศสามด้วยบุญที่ทำกับหมู่คณะมารยะหนึ่งแต่ความเข้าใจเรื่องราวของหมู่คณะมีเพียงระดับ หนึ่งเท่านั้นแต่วิ่มีจิตศรัทธาแค่มีจิตศรัทธาในบุคคลนะอีกทั้งตายแบบไม่ทันจะรู้ตัวด้วยได้รับบุญที่อุทิศไปให้ทําให้มีทิพยะสมบัติเพิ่มขึ้นตอนนี้มีความสุขมากกำลังเพลิดเพลินอยู่บนสูงสวรรค์ฉันเดาดึงได้คลายความผูกพันกับครอบครัวในเมืองมนุษย์พอสมควรดี ค่อนข้างจะลืมเมืองมนุษย์แต่จะระลึกนึกถึงทุกครั้งที่อุทิศบุญไปให้เพราะว่าขณะ น, นี้กำลังเที่ยวเล่นอยู่ในสวนจิตล ด, ดาพร้อมบริวารกำลังสนทนายอยู่กับเหล่าเทพนาลีได้เรื่องดอกไม้ในสวนซึ่งเปรียบเทียบความงามกับเทพนาลีบนสวรรค์ว่าดอกไม้นี้มันงามอย่างนั้นอย่างนี้ เหมือนส่วนนี้ของเทพนารีกําลังคุยกับเทพนารีในสวนจิตระดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงดอกไมง้งี้เหมือนอย่างนั้นอย่างนี้อะไรกําลังคุยเพราะฉะนั้นลืมเลยแต่จะนึกทุกครั้งถึงหมู่ญาติใน ม, มนุษย์เมื่อวาบอุทิศบุญไปให้วบับวับนั่นแหละตอนนี้กําลัง alert กับเทพนารีเดีเหมือนกําลังจะจะตกล ง, ลงใจอะไรกับ ไผกันเนี่ยพี่สาวโดนของหรือเปล่าพี่สาวโดนของจะ้ะแต่ไม่ใช่ของคุณใสจึงทาให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วช่วระยะเวลาเพียงสามเดือนเท่านั้นพี่สาวกำลังฟอนอิเลฟผู้ชายคนนี้ลงรักเพราะพี่สาวเป็นโสดมานานเมื่อมาพบพานพ่อหม่ผู้มีประสบการณ์หลบลอ แต่เอาอกอาใจจึงทําให้เคลิบเคลิ้มหลงไหลและก็มามีความคิดว่าเป็นโสตทําไมเลยกําลังจะตัดสินใจไปอยู่ด้วยกันทําให้หมดอารมณ์ในการสร้างบา ร, รมีหมดอารมณ์ในการทาําหน้าที่เป็นกัละยาณมิตรและขยายจานโอ้อมิตรพะฟังและเฉาชีวิตให้ไปบอกพี่สาวน่จ้าว่าพี่สาวอายุก็มากแล้วอยู่ด้วยกันก็มีลูกด้วยกันไม่ได้ให้คบกันเป็นเพื่อนจะดีกว่า แล้วคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันชวนกันสร้างบา ร, รมีจะได้มีบุญติดตัวไปในพบบึงนะเพราะเวลาในโลกนี้เหลืออีกไม่มากแล้วฝากไปบอกนะจ๊ะอย่าลืมกลับไปบอกพี่สาวนะลูกนะว่าหมูกันนะอยากให้เธอกลับคืนมาเหมือนเดิมนะจ๊ะแม้ว่าจะอยู่ช่วงสิบโมงแล้วก็ตามอาการร้อนตามผิวหนัง และเลือดในสมองตีบของแม่เกิดจากกรรมแน่อดีตความเป็นคนที่มักโกรธขี้งุดหงิดมักโกรธจะไปเกิดเป็นยักษ์ในระวังจึงมักจะพูดที่คนเสแสรบร้อนๆไม่สบายใจไม่สบายกายในใใครชอบอย่างนี้มึงคือชอบพูดที่คนเสแสรบร้อนๆไม่สบายใจไม่สบายกายเป็นวัจจีกรรมจ้ะ จึง ท, ทำให้มีการร้อนตามผิวหนังส่วนเชื้อเลือดในสมองตีเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารจะ แ, แก้ไขก็ให้อยู่ในบุญทำบุญทุกบุญอุทิศ ส, ส่วนไปยังคู่กรรมปล่อยสัตว์ปล่อยปลาทำอารมณ์มิสไสบา ย, บายใจใ ส, ส่แต่การภาวนาให้สม่ำเสมอหนักก็จะเบาบาก็จะหาย้าที่ผ่านมาในชีวิตพ่อนะเป็นคนชอบคิดแต่ท่านไม่ชอบพูด จึงมักจะเก็บสั่งสมความคิดเอาไว้ตั้งแต่ในวัยหนุ่มจกนกระทั่งอายุได้เกปีท่านจึงพังพรปรูสิ่งที่เก็บเอาไว้นานนั้นเอาออกมาเปิดเผยออกมาก็คลี่คลายมามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรถ้าท่านพูดแล้วสบายใจมันก็เป็นไปตามวัยของสังขารของท่านละจ้ะให้ติดจานดาวธรรมให้ท่านดูนะลุกนะท่านก็จะได้มีภาพและเสียงเป็นเพื่อนที่จะทําให้ใจท่านใาานสและคลายจากสิ่งที่ท่านเป็นอยู่ได้บ้าง ลูกและพี่สาวในชาติที่ผ่านมาก็เป็นพี่น้องกันมีความเกือกูลกันมาตลอดจึงผูกพันกันในชาตินี้ลูกได้แนะนำให้พี่สาวทำหน้าที่กับยาญมิตรพี่สาวก็ทำตามจึงยิ่งรักและผูกพันกันมากขึ้นก็อบของลูกได้สร้างบารมีกัหมู่คณะมาแบบกองสเสบียงส่วนตัวลูกเองเนี่ยเป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกบวชตามพระราชาตอนอายุมาก พระมัวไปเจ้าชู้อยู่เนื่องจากมาบวชช้าจึงบวชได้น้อยบุญจึงไม่พอที่จะอุ้มให้มาเป็นผู้ชายในชาตินี้แต่ก็ทําให้ได้มาประพฤติพรหมจรรย์สร้างบารมีเป็นอุบาสิกาตั้งแต่อายุยังน้อยชาติที่บวชก็ปฏิบัติธรรมได้ในระดับดวงใสๆเห็นพระรังๆพระมัวจะเห็นอดีตเยอะเกินไป เก็เห็นเรื่องราวก่อนบวชมากเกินไปก็พอจะช่วยเหลือตัวเองได้ชาตินี้ก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมจะเข้าถึงพระธรรมกายได้จะได้กราบิมารดุสิตบรีวงบุ ญ, บญวิเศษเขตในจา้าุเอาดมาดูภาพกันหน่อยพี่ชายลูยุทธ์สันเพละ ก, กรรมในอดีตพี่ชาเกิดในตระกูลพ่อค้าเป็นคนใจกว้างเลี้ยงลูกน้องอย่างดี เวลาเลียงฉลองจะสั่งล้มวัวควายเพื่อเป็นอาหารกับแกล้มสุราเป็นประจำโดยการที่สั่งฆ่าสัตว์จํานวนมากตามมาทันทําให้หัวใจล้มเหลวลงไปวิบากกรรมยุสั้นยังติดตามไปอีกหลายชาติเจ้าตัวต้องแก้ไขเองโดยการสั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆทั้งตั้งปล่อยสัตว์ใหญ่เช่นวัวควายพนะการถูกฆ่านในชาติต่ตอไปใครจะทําแทนให้ไม่ได้เด็กผู้ชายคนนั้นไม่ใช่ผีชายมาเกิดใหม่ พระพี่ชายตายแล้วไปเป็นเทพบุตรสุดลอ่อมีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟศ ส, สามโดยบุญที่ทางขโมคคณะอริยะหนึ่งเข้าใจเรื่องราวขโมคคณะในระดับหนึ่งแค่มีจิตศรัทธาแล้วก็ตายแบบไม่ทันรู้ตัวจา้าได้รับบุญที่โที่ไปให้ทำให้มีที่ประยชสมบัติเพิ่มขึ้นตอนนี้อุ้ยมีความสุขมากกำลังเพลิดเพลินอยู่บนสวรรค์ได้กายความผูกพันกับครอบครัวในเมืองมนุษย์พอสมควร แต่จะระลึกนึกถึงทุกครั้งที่อุทิศบุญไปให้และชอบมากเลยถ้าอุทิศบุญไม่ให้เพราะว่าจะทําให้มีทิพยัสมบัติเพิ่มขึ้นขณะนี้กําลังเที่ยวเล่นอยู่ในสวนจิตระดาเพร้อมบริวารกําลัง alert ในการสนทนายอยู่กับเหล่าเทพนาลีด้วยเรื่องดอกไม้ในสวนเปรียบเทียบกับความงามของเทพนารีบนสวรรค์ไม่ทราบว่าไปฝึกพูดกันหัดมาจากไหนพูดเก่งเลิศเกินเลยอุปมาดอกไม้นี้ครับ ความงามของเทพนาดีที่ผ่านมาน่ยพี่สาวว่าโดนของเจ้าแต่ไม่ใช่ของคุณสายต่เปลี่ยนแปลงไม่อย่างรวดเร็วช่วงระยะเวลาเพียงสามเดือนเท่านั้นพี่สาวรักผู้ชายคนนี้เพราะพี่สาวเป็นโสดมานานเมื่อมาพบพานพ่อไม้ผู้มีประสบการณ์เอา อ, อกเอาใจจึงทําให้เกลืบเคลื่นหลงไหลและก็มีความคิดว่าเป็นโสดทําไมเลยกําลังตัดสินใจจะไปอยู่ด้วยกัน ทำให้หมดอารมณ์ในการสร้างบา ร, รมีแม้ชีวิตเธอจะผันแปรแต่เป้าหมายอย่าแปลผันไปให้บอพิสาวัยอายุมากแล้วมีลูกเดียวกันก็ไม่ได้ให้คบกันเป็นเพื่อนจะดีกว่าแล้วคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันชวนกันสร้างบา ร, รมีจะได้มีบุญติดตัวไปในภพ บ, บึงนะเพราะเวลาในโลกนี้เหลือกันอีกไม่มากแล้วแม่มียก ร, ร้อนตามผิวหนังเกิดจากกรรมในอดีตเป็นคนมักโกรธอิ่มงดหงิด มักพูดถึงคนแสบๆสบร้อนๆไม่สบายใจไม่สบายกายเป็นวิจิกรรมและเสืมเลือนในสมองตีเพราะกรรมฆ่าสัตว์ธทำอาหารจาแก้ไขโดยให้อยู่ในบุญทำบุญทุกบุญแล้วก็อุทิศส่วนไปยังคู่กรรมปลอยสัตว์ปล่อปลาบ่อยๆทําให้อารมณ์สบายๆใจใสๆด้วยการภาวนาสมองเสมอหนักก็จะเบาเบาก็จะหายได้จ้าที่ผ่านมาในชีวิตพ่อเป็นคนชอบคิด แต่ไม่ชอบพูดมักเก็บสั่งสมความคิดเอาไว้ตั้งแต่วัยหนุม่มจกนกระทั่งอายุ90ปีท่านฟพิ่งครูสิ่งที่ท่านเก็บเอาไว้ออกมาก็ไม่ได้เสียหายอะไรถ้าท่านพูดแล้วสบายใจมันก็เป็นไปตามวัยตามสังขารของท่านแหละจ้าให้ติดจานเราทำให้ท่านดูท่านจะได้มีภาพและเสียงม็นเพื่อนจะทำให้ใจท่านใสและคลายจากสิ่งที่ท่านเป็นอยู่ได้บ้าง ลูและพี่สาวในชาติที่ผ่านมาก็เป็นพี่น้องกันเกื้อกูลกันมาตลอดจึงผูกพันกันในชาตินี้ลูกกับเด็กนั่นแนะนำให้พี่สาวทำหน้าที่กัละยนามิตรพี่สาวได้ทําตามจึงยิ่งรักและผูกพันกันจ้าครอบครองลูกได้สร้างบรมมีกมุกขนามาแบบกองสเสบียงส่วนตัวลูกเราเป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกบวชตามพระราชาตอนอยุมากแล้วเพราะว่าม่วไปเจ้าชูอยู่เลยจ้า เนื่องจากมาบวชช้าบุญยังไม่พอที่จะอุ้มให้มาเป็นผู้ชายในชาตินี้แต่ก็ทำให้มาประพฤติพรหมจรรย์สร้างบา ร, รมีเป็นอุบาสิกาตั้งแต่อายุยังน้อยชาติที่บวชปฏิบัติธรรมได้ระดับดวงใสๆเห็นพระร่างๆพอช่วยเหลือตัวเองได้เพราะมัวแต่เป็นนึกถึงเรื่องที่ก่อนบวช้ะชาตินี้ก็ให้ตั้งใจสร้างบา ร, รมีให้เต็มที่ในทุกด้านจะได้กลับวิมานดุสิบุรีวงบนพิเศษเขตในจา นี่ก็เป็นเรื่องราวของเคงสสตี้สั้นๆกันนะจ๊ะ